หรือสาวกเหล่านั้นที่ทุกคนฉลาดทั้งนั้นเลนยเป็นฉลาดทุกคนเนี่ยที่ฉลาดฉลาดนะทั้งที่มีสติคติทิติและก็ปัญญาที่ยอดเยี่ยมปัญญาเฉล้วฉลาดอย่างยิ่งฉลาดเท่าเหมือนอะไรเหมือนนักธนูที่มั่นคงได้รับการฝึกหัดช่ำชองชำนิชำนาญเคยแสดงฝีมือมาแล้วพึงยิงงวงตาลโดยขวางให้ตกลงมาโดยลูกศรขนาดเบาโดยง่ายแกว่าเห็นกว่า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 บทและพยัญชนะแห่งธรรมของตถาคตนั้นก็ไม่รู้จักจบจักสิน้นความแจีมแจ้งแห่งปัญหาของตถาคตนั้นก็ไม่รู้จักจบจักสิน้นอะนะคือถ้าหาว่าแปลภาษาไทยอีกครั้งหนึ่งว่าถ้าพระองค์ไม่ปรินิพพานให้พระองค์นั่งเทศอย่างเดียวเทศเป็นล้านปีก็ไม่มีจบวันนั้นเละปัญญาของพระองค์นี่มากขนาดนั้นเพราะอะไรเพราะปัญญาของพระองค์เข้าอากาศอากาศนี้จบเป็นไห ม, ไมเป็นปัญญาของพระองค์ก็จบไม่เป็นชะนั้นนั่นแหละ เมื่อเป็นดังนั้นสาวกบริษัทสี่ของเรานั้นจึงมีอายุร้อยปีอายุตั้งร้อยปีเป็นอยู่ตั้งร้อยปีพึงกระทํากาละโดยล่วงไปร้อยปีฉลาดขนาดนั้นเนี่ยนะถามอย่างนี้จนท่านคนถามเนี่อายุร้อยปีถามจนตายอ่างนั้นเถอะพระองค์ก็ตอบได้ไม่หมดยังตอบไม่เสร็จเลยอะคนถามตายไปแล้วปัญญายังไม่หมดอะนะเอาแบบเครียกชนิดที่เรียกว่าถามครั้งเดียวแล้วจาได้หมดนะไม่ใช่เอาแบบอะไรเงี้ยไม่ใช่นะ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 บอกแม่อายุมากนี่สิดีบอกทําไมดีเ อ, าอ้าก็ฉันมีประสบะการณ์มากกว่าอะไรมากกว่าเป็นต้นมันน่าจะเรียนดีกว่าคนอายุน้อยๆบอกแม่พวกเด็กๆจําแม่นมันก็นกแก้วนกขุนทองฉลาดขนาดนี้แล้วมันดีที่สุดเนี่ยนะนะมันก็บอกว่าโอ้ยนี่มานั่งเรียนกับคนอายุมากจะไปรู้เรื่องเลยว่าอารุมากนี่แหละประสบะการณ์ชีวิตเยอะดีนะจะได้เข้าใจอะไรมากๆทะลุปโปร่งๆนะ มันก็อายุมากมากขึ้นเล ย, เลยไปต้องไปหนักใจว่าอายุมากแล้วเดี๋ยวจาไม่ได้จําไม่แม่นปัญหาจะจําหรือเปล่าแค่ น, นั้นนะทีลูกหลานเนี่ยจำได้เป็นฉากเป็นฉากนั่นนะจําได้ประวัติลูกหลานนางกรอ้อนแต่ออกไปหมดมันถ้ามาจําคําสอนปัญหาว่าจะจำหรือเปล่าแค่ น, นั้นแหละเพราะอะไรเพราะทฤษฎีที่บอกอายุมากแล้วความจําเสื่อมไม่น่าจะใช่บางอันนั่นนะถ้าได้รับการฝึกนะแต่ถ้าไม่ฝึกก็อย่างว่านะทุกอย่างในโลกนี้ถ้าไม่ฝึกก็เสียหายหมดนะนะ่ะ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 อนุเคราะห์โลกพระองค์เกิดมาเพื่อประโยชน์เพื่อกุลพระองค์เกิดมาเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายผั้คนที่นับถือพระพุทธเจ้าว่านับถือถูกต้องแล้วเพราะพระองค์เกิดมาเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่พวกเราอยู่แล้วนะมันถ้าเกิดทำถ้าท่านเกิดมาท่านทําทุกอย่างเพื่อพวกเราถ้าเกิดพวกเราไม่นับถือท่านแล้วจะว่ายังไงอย่างไรโอ้ยน่าสงสารขนาดไหนเนาะถึงขนาดนั้นถึงท่านดะีขนาดนั้นเราก็ยังไม่ค่อยจะคิดถึงท่านเลยนะเพาไมเป็นอย่างนั้นเนาะ ท่านก็ดีดีดีจริงๆทําทุกอย่างเพื่อเราแต่เราก็ทำไมคิดถึงท่านได้น้อยจังเนี่ยนะมาม า, มาคิดดูให้ดีนะไม่อย่างนั้นเราเองก็เป็นคนที่น่าสงสารมากเลยแหละเนี่ยนะได้รับประโยชน์จากคําสอนน้อยสูตรนี้แม้กระทั่งสมัยนั้นแหลท่านพนาคาสมาละถวายงานพัดอยู่ณนะเบื้องพระปริศดงังเรียกว่ายืนพัดอยู่ข้างหลังอันนะลําดับนั้นท่านพนาคาสมาละได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขณะอัศจรรย์จริงเป็นเรื่องที่ไม่เคยมีพระอัจฉริยะอภูตธรรมที่กล่าวมานี้เป็นความน่าอัศจรรย์ของพระพุทธเจ้าอันหนึง่งข้าพระพุทธเจ้ามีขนพองเพราะฟังธรรมปริยายนี้คนนี้ลุกสู้สู้พระฟังสูตรนี้่นะข้าแต่พระองค์ผู้เจริญธรรมปริยายสูตรนี้เชื่ออะไรพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนนาคสมาระเพราะเหตุนั่นแหละเธอจงทรงจําธรรมปริยายนี้ไว้ว่า โลมาหังสนะปริยายเหตุที่ทําให้ขนลุกขนพองอะไรเงี้นเป็นสูตรที่ฟังแล้วคนลุกขนพองอะไรเงี้ยก็เลยเรียกว่าโลมาหังสนะปริยายปริยายว่าด้วยสูตรปริยายหรือเหตุหรือพระสูตรที่ทําให้แบบคนฟังแล้วขนลุกขนพองอ่ะนะโอ้โหมีคนที่ทําขนาดนี้จริงๆหรือเนี่ยนะก็มีอนะก็มีองค์เดียวคือพระพุทธเจ้านั่นแหละปันพระพุทธเจ้าเมื่อตรัสพระพุทธพจน์นี้แล้วท่านนาคาสมาลมีใจชื่นชมยินดี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 สังเกตนิดนึงว่าเรื่องราวหลายๆเรื่องเนี่ยเป็นเรื่องที่เกิดเมื่อ9ก้าบเดกับเนี่ยนะดูในหน้าหนึ่งร้อยเจ็ดกลางหน้านะกลางๆงหน้าหน้าหนึ่งร้อยเจดกลางๆงหน้าที่บอกว่าบทว่าตะเมวกายยังได้แก่กายที่สุดใน9กบเดกับแต่ถ้าหากว่าในสูตรนี้นะถ้าเป็นสูตรนี้จะใช้คําว่าอิมะเววกายยังอันนี้เป็นตัวบอกว่าเรื่องนี้เกิดเมื่อไรเนี่ยนะ ก็ในสูตรเนี่ยนะถ้าหากว่าพูดถึงสติปัญญาของพระพุทธเจ้าในหน้าหนึ่งร้อยเก้าหนึ่งร้อยสิบเนี่ยนะที่บอกว่าถ้าพระภิสุที่ถามปัญหาพระพุทธเจ้าเช่นว่าอีกรูปหนึ่งถามกายานุปัสสนาอีกรูปหนึ่งถามเวทนาอีกรูปหนึ่งถามจิตตานุปัสสนาอีกรูปหนึ่งถามธรรมานุปัสสนาทุกคนถามพร้อมกันเลยอะพูดพร้อมกันคือไม่มีใครสนใจว่าใครถามใครนะทุกคนถามพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าเนี่ยตอบทั้งหมดตอบกายสิบสี่วิธีตอบเวทนาเก้าวิธีตอบจิตตานนปัสสนาสิบหกวิธีตอบธรรมมาสิบห้าวิธีก่อนกว่าการยิงเงาหนึ่งคืบสี่นิ้วรวดเร็วสะอีกคือหมายเขาว่าอย่างนี้ว่าสมมติว่าพระสาวกของพระองค์ที่ฉลาดที่สุดว่างั้นเถอะ สี่องเดินมาเลยจากสี่ทิศมาถึงไม่สนใจใครทั้งนั้นองค์ที่หนึ่งมาถามกายาองค์ที่สองถามเวทนาองค์ที่สามถามจิตตาองค์ที่สี่ถามธรรมานุปัสสนาพระพุทธเจ้าตอบทั้งสี่องค์นั้นพร้อมกันโดยใช้เวลาไม่ถึงวินาทีเท่านั้นน่ยวัดเดียวนั่นนะเรียกว่าใช้อะไรเนี่ยยิงเงายิงเงานะยิงร่มๆที่ร่มๆไม่มีอะไรเลยเงาอะไรนะกว้างหนึ่งคืบสี่นิ้วก็คือประมาณไม่เกินศอกเราเนี่ยประมาณหนึ่งศอกอะ่ะเงาลูกศรผ่านเงา ประมาณหนึ่งซอกนั่นตอบใช้เวลาเท่านั้นใช้เวลาตอบคําถามที่กล่าวไปแล้วนะใช้เวลาเท่านั้นนะ่ะถามพร้อมกันด้วยนะแล้วก็ตอบเหมือนกับว่าตอบกันทีทุกคนเหมือนกับว่าได้ยินพระพุทธเจ้าตอบพร้อมกันเลยมันสติปัฏฐานภาวนาใช้เวลาสติปัฏฐานสูตรใช้เวลาตอบไม่ถึงครึ่งนาทีอย่างนั้นนะะจบหมดนะเสียดายนะถ้าเกิดทัาจะได้ชมพระองค์นะจะได้มีบุญได้เรียนคําสองกับบุญแล้วนะ เอาเี้กกบอกยาวว่าสติปทานสี่เลยเอางี้่อเอาพระสาวกของพระองค์มาเลยสามสิบแปดองค์สามสิบแปดองค์มาถึงถามปัญหาโดยที่ไม่มีใครมองหน้าไม่ไม่สนใจใครเลยมาถึงองค์หนึ่งถามคนละข้อคนละข้อในสาสิบแปดคือโพธิปัตยธรรมส8มสิแปดพระองค์ก็ใช้เวลาตอบพักเดียวนั่นแะจบเลยตอบแทบจะตอบได้พร้อมกันเลยนั่นแหละเพราะอะไรเพราะ ผวังขวาระเรื่องเกี่ยวกับเรื่องพระพุทธเจ้าเนี่ยตรัสได้เร็วมากเอาอย่างนี้ว่าพวกเราพูดหนึ่งคำพระนนรพูดได้แปดคำชาวโลกกล่าวได้ บ, บทหนึ่งพระนร์กล่าวได้แปดบทพระนร์กล่าวได้บทเดียวพระพุทธเจ้าตรัสได้สิบหกบทอย่างนี้เลยว่าถ้าเราพูดหนึ่งคำธรรมดาทั่วๆไปพระพุทธเจ้าได้กี่คำร้อยกว่าคา ก็วิธีคำนวณก็ง่ายๆเราพูดหนึ่งคำพระนนพูดได้แปดคำพระนนพูดคำเดียวพระพุทธเจ้าพูดได้สิบหกคำโอ้ oh, oh, เป็นร้อยเลยนะเนี่ยคำนวณดูเอาแล้วกันว่าเท่าไหร่แล้วก็พระองค์เนี่ยนะลิ้นของพระองค์ก็อ่อนไรฟันก็เรียบสนิทวัจนะไม่มีติดขัดภวังค่ะปริวาสคือหมายความว่าผวังอยู่ในภวังก็น้อยมาก อ่นะจิตที่ลงสู่ผวังนิดเดียวเองคือพระองค์เนี่ยอย่างของพวกเรานี่ใช้เวลาอ่ะนะตอนที่นึ่งหนึ่งชั่วโมงที่เราตื่นนะจริงๆหลับครึ่งหนึ่งตื่นครึ่งหนึ่งบางทีอาจจะว่าหลับหกสิตื่นแค่สีสิบเท่านั้นเองเครียกว่าส่วนใหญ่อยู่ในผวังซะส่วนใหญ่แต่ของพระองค์นี่ยอยู่ในผวังนิดเดียวจริงๆอ่ะนะเครียกว่าประผวังค้าปริวาสนี่เบาเพราะฉะนั้นพระองค์จึงบอกเลยว่าธรรมเทศนาของพระองค์นั้นไม่รู้จักจบไม่รู้จักสิ้นนะนะ เพราะองค์จะอายุมากเท่าไหร่ธรรมเทศนาของพระองค์ก็ไม่รู้จักจบจักสินนะ้นนะทีนี้พระองค์นั้นมีอายุตอนที่พระองค์แสดงเนี่ยอายุเท่าไหร่นะแปดสิบทีนี้พระองค์อเป็นปีที่พระองค์ปรินิพานานะแต่จริงๆแล้วในในสูตท่านบอกว่าแม้ใครจะหามพระองค์ไปด้วยเตียงน้อยก็ตามแต่จริงๆแล้วพระองค์จะไม่ถึงใช้ชีวิตจนถึงขนาดต้องหามอ่นะพระองค์เนี่ยไม่ได้อยู่นานขนาดนั้นแค่ว่าต้องขึ้นคานหามขึ้นรถ เรียกว่าขึ้นล้อมุนอะไรเป็นต้นเนี่ยไม่ต้องเพราะพระองค์จะไม่อยู่นานขนาดนั้นที่บอกว่าพระตถ า, าคตทั้งหลายผู้อันมีลักษณะฟันหลุดเป็นต้นไม่ครอบงามและปรินิพานในส่วนแห่งอายุที่ห้าหมายคือว่าถ้าอายุห้าส่วนพระองค์จะอยู่ดำรงอยู่แค่สี่ส่วนเช่นถ้าอายุร้อยปีพระองค์ก็จะดำรงอยู่แปดสิบปีนั่นเองนะนะพระสูตรนี้จึงชื่อว่าเป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์ที่ควรแก่การปรบมือไม่เคยมี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 พระรัตนตรัยจงเป็นปัจจัยเพื่อทําที่สุดแห่งทุกปรัสรู้ทาตามพระพุทธเจ้าโดยท่วกันวันนี้ใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้ขอเชิญฟังรายการพระธรรมตามพระไตรปิฎกบรรยายโดยพระอาจารย์สมบัตินันทโก ทางสถานีวิทยุ1ปน1035เวลา7นาฬิกา30นาทีถึง8นาฬิกาและ21นาฬิกาถึง23นาฬิกาทางสถานีวิทยุเพื่อการเกษตร1386สนใจซีดีหรือเอม3ติดต่อดที่โรงพยาบาลนวนครถนนพห้หลโยธินโทรศัพท์ 0 2 5 2 9 4 5 3ห้าสองเก้าสี่ห้าสามสามถึงสี่หนึ่งโรงพยาบาลนวันครอายุทยาถนนเอเชียโทรศูนย์สามห้าสามหนึ่งห้าหนึ่งศนถึงสามและมู ล, ลนิธิรักธรรมโทรศัพท์ศูนย์สองเจ็ดหนึ่งหนึ่งาเก้าเก้าเจ็ดถึงแปด ขออนุโมทนาค่ะ